ทีมไมดนหมดยังวันนี้เหลือกี่คนยังไม่ได้ส่งกันบ้านเท่าไหร่สิบนะเมื่อวานพูดเรื่องวิธีทำให้เกิดสติสติมีหน้าที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเราก็ต้องหัดดูสภาวะในกายในใจบ่อยๆ ยิ่งรู้บ่อยๆจิตก็ยิ่งจำแม่นจิตยิ่งจำแม่นสติก็ยิ่งเกิดบ่อยเราต้องลืมไปเลยนะคำว่าสติที่แปลว่ากำหนดสติเป็นความระลึกได้สติมีหน้าที่คุ้มครองจิตทันทีที่สติเกิดอากุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอากุศลใหม่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ได้กุศลจะเกิดขึ้นทันทีนะ กุศลจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเกิดเนืองเนืองขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยที่จะมีสติแล้วันนี้หลวงพ่อก็คุยต่อนะว่าทํายังไงเราจะเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญามันมีสองขั้นนะขั้นแรกให้มีสติขั้นที่สองให้มีปัญญาการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นทางสายกลางทําให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาแล้วสติปัญญานี่จะช่วยกันนะทํางานร่วมกัน ทำให้เราเข้าถึงวิมุตต์รือความหลุดพ้นตัวสตินะหลวงพ่อบอกแล้วว่ามันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วตัวปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธนะิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทํากันอยู่นั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิเพ่งจ้อง เพ่งใส่ตัวอารมณ์จิตลงไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะส่วนสัมมาส ม, มาธิเป็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตในขณะที่รู้อารมณ์เมื่อวานก็พูดให้ฟังไปบ้างนะคล้ายๆเราดูฟุตบอลเนี่ยเรานั่งอยู่บนอัธจันทร์แล้วเห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาเราเป็นคนดนะูในสนามฟุตบอลมันมีอยู่สองพวงนะในจิตเราก็มีกุศลและอกุศลนี่แหละแข่งกันทํางานอยู่ทั้งวัน เราไม่เข้าข้างใครข้างใดข้างหนึ่งไม่ต้องเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งหรือเกลียดข้างใดข้างหนึ่ ง, ร เ, ร ง, ง, งเราทำตัวเป็นคนดูที่ยุติธรรมยิ่งวกว่ากรรมการอีกนะคนไหนดูอย่างยุติธรรมได้มากที่สุดนันก็จะเห็นความจริงได้มากที่สุดคนไหนดูแบบมีใบแอ๋ก็ไม่เห็นความจริงปัญญาที่เราต้องการเนี่ยนะคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ นี่ทำยังไงเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายทำยังไงจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจวิธีรู้กายกับวิธีรู้ใจจะไม่เหมือนกันตรงที่มีฝึกให้มีสตินะฝึกมีสติด้วยการรู้กายหรือฝึกให้มีสติด้วยการรู้ใจเนี่ยทำแบบเดียวกันคือการตามรู้ตามรู้กายเนืองๆจนจำสภาวะของรูปได้ ตามรู้จิตเนืองเนืองจนตามรู้สภาวะของนามาทําได้ใช้คําว่าตามรู้ตามรู้ทั้งคู่เลยเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงสติปัฏฐานท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสนากายานุปัสนาปัสนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามตามเห็นกายเนืองเนืองเป็นการตามเห็นเวทนานุปัสนาตามเห็นเวทนาเนืองเนืองจิตานุปัสนาตามเห็นจิตเนืองเนืองธรรมานุปัสนาตามเห็นธรรมเนืองเนือง เป็นการตามเห็นทั้งหมดเลยตามเห็นไปจนจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดแต่พอมาถึงในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยพอมันมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้แล้วว่าสติจะรู้อะไรบางทีสติก็ระลึกรู้กายบางทีสติรู้เวทนาบางทีสติก็รู้จิตสนะจตสังขารจิตตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตเช่นกุศลและอกุศลทั้งหลายบางทีสติก็ตามรู้จิตจิตจริงๆที่เกิดทางทวารทั้ง6หก เกิดที่ตาเกิดที่หูจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับอยู่ทางสวารทั้ง6ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเลือกไม่ได้ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้อะไรสติมันะระลึกเองแล้วแต่ว่าอารมณ์ตัวไหนจะเด่นในขณะนั้นสติก็จะไปรู้ตัวนั้นมันเหมือนเวลาเราดูละครบนเวทีเนี่ยมันมีตัวละครออกมาแสดงพร้อมๆกันหลายตัว แต่มันจะมีตัวเดียวที่เป็นตัวตัวที่เด่นที่สุดตัวหลักที่สุดในขณะนั้นที่ทำให้ปรากฏการนั้นดำเนินไปปรากฏการนั้นตัวที่เด่นที่สุดนั้นอาจจะเป็นกายก็ได้อาจจะเป็นเวทนาก็ได้อาจจะเป็นจิตก็ได้สติมันจะไปดูเองเหมือนอย่างเราหัดดูละครเราดูละครเราไม่ได้จงใจนะว่าเราจะดูตัวไหนแต่ว่ามันไปดูตัวที่น่าสนใจที่สุดเอง ไปดูตัวเอกเองตัวหลักเองสตินี้มันก็เหมือนกันมันจะไปดูความรู้สึกที่โดดเด่นที่สุดนะจะเป็นกายก็ได้เวทนาก็ได้สังขารก็ได้จิตก็ได้นะแล้วแต่เขาจะดูและการดูกายเนี้ยจะดูลงปัจจุบันนะไม่ใช่การตามดูอย่างที่เคยเห็นแล้วดูลงเป็นปัจจุบันไปเลยนะเวทนาเราก็ยังดูในปัจจุบันได้ แต่การดูจิตสังขารนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ยจิตสังขารที่เป็นอกุศลเนี่ยสติในขณะนั้นจะไม่มีสติสติต้องเกิดทีหลังงั้นถ้าพูดย่อๆนะเราตามรู้กายลงปัจจุบันนะเรารู้กายลงปัจจุบันแต่จิตเนี่ยยังคงตามรู้เหมือนเดิมเหมือนในขั้นที่ทําให้เกิดสตินั้นตรงนี้ไม่เหมือนกันตามรู้กายลงเป็นปัจจุบันทํำยังไงอย่ า, นะยาสูงว่าเรากําลังเคลื่อนไหวอยู่นะเคลื่อนไหวอยู่ เรารู้ลงเป็นปัจจุบันเราเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเราทำไมถึงเห็นได้ว่าตัวที่กำลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายยืนจิตเป็นคนดูร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายนอนจิตเป็นคนดูร่างกายเดินจิตเพื่อเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูแยกกายกับจิตออกจากกัน ถ้าแยกกายจากจิตกระจิตออกจากกันไม่ได้นะจิตจะไหลรวมเข้าไปอยู่ที่กายอันนั้นจะเป็นการที่จิตไหลเข้าไปแช่อยู่กับกายเป็นมิจฉาสมาธิสมาธินั้นจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์พวกเราหลายคนที่ภาวนานะอย่างไปรู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าถ้าจิตมีสัมมาสมาธิจิตจะอยู่ต่างหากเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้า แล้วทันทีที่จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นในฉับพลันนั้นเลยมันจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันไม่เคยหยุดนิ่งจริงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยนอนเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวเดียวซ้ายแหลกขวามันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกยเดหมล ใครว่านอนไม่ทุกข์ก็ไม่จริงลองปเป็นอามาพาศดูสักพักหนึ่งแล้วจะรู้สึกหนึ่งนอนเราเวลาเรานอนนะคืนหนึงคืนหนึ่งเนี่ยเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยประมาณ 40- 50ครั้งทําไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันถูกความทุกข์บีบขั้นเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่กับที่สังเกตไหมเราจะขยับเอวไปเรื่อยๆขยับนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะขาเรายังไม่ได้มีโอกาสขยับเรายังแอบขยับเอวนิดๆหน่อยๆ น, นะเพื่อหนีความทุกข์ นะความทุกขมันตามบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกนะถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เราจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาได้จิตเป็นคนดูอยู่ตั้งหากร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเห็นมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันเป็นแค่วัฏถุเป็นก้อนาธาตุไม่ใช่าธาตุธรรมดาด้วยนะมีาธาตุที่หมุนเวียน หายใจเข้าหายใจออกนะนี่าธาตุก็หมุนเวียนกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนี่าธาตุมันก็หมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการดูนะท้อใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติรู้กายเนี่ยก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุนี่ถ้าดูจิตใจล่ะดูจิตใจเนี่ยะ อันนี้ต้องใช้การตามรู้อย่างเดิมนะตามรู้ไปเพราะงั้นเวลาเราดูจิตนะียอย่าพยายามดูลงเป็นปัจจุบันหลายคนพยายามจะดูให้ทันดูยังไงก็ไม่ทันนะเช่นจิตจะเผลอเนี่ยจิตเผลอมันต้องเผลอไปก่อนแล้วถึงรู้ว่ามันเผลอมันต้องโลภไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโลภมันต้องหลงไปก่อนแล้วรู้ว่ามันหลงนะมันต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธนะมันรู้ทีหลังสังเกตไหมกว่าเราจะรู้ว่าใจเราไหลไปเนะี่ยต้องไหลไปก่อน ต้องตามดูตามดูแล้วมันจะเป็นปัจจุบันได้ไงมันไม่ได้ดูจิตดวงที่เป็นปัจจุบันอันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติคือดูอย่างสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่ดูลงปัจจุบันขณะดูร่างกายเนี่ยดูลงในปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันนี้ได้เลยเห็นตัวที่กําลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เราแต่ดูจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่าปัจจุบันสันติคือมันสืบเนื่องกับปัจจุบัน นะไม่ลงปัจจุบันเป๊ะๆหรอกตามหลังกันอยู่นิดหนึ่งนะอยู่กี่ขณะดีคุณแต้มเจ้ว่า7มันก็น้อยไปเนะจ้ว่า17มันบางทีมันก็ไม่ถึง17บนะบางทีมันก็เป็นมโนทวารวิธีอย่างเดียวนะมีไม่ถึง17มีเท่าไหร่จำไม่ได้ละชีเจดนับนะเริ่มตั้งแต่โวตทรปณะงั้นดูจิตนะเราตามดูไปคอยรู้สึกไปนะ เมื่อกี้โกรธแล้เมื่อกี้โลภเมื่อกี้หลงแต่เมื่อกี้เนี่ยต้องแบบเมื่อกี้เดี๋ยวนี้จริ ง, รงๆสดๆร้อนๆจริงๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธเมื่อวานโลภเมื่อวานห ล, ลงเห็นว่าเมื่อวานโกรธเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาหรอกใช้ไม่ได้ไม่สดๆไม่ร้อนๆนะต้องสิงๆนะ <arrive> ต้องสดๆสิงๆให้ได้ดูปัจจุบันให้ติดๆกับปัจจุบันไปถ้าเราตามดูจิตเราเห็นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเฉยนะเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็หดหูเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็มีปีติเดี๋ยวมีความสุขนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นอุเบกขาเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่จะเห็นจิตนี่เกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเวลาที่เราบอกว่าดูจิตดูจิตเราไม่ได้ดูจิตล้วนๆหรอก เราดูทั้งจิตทั้งเจตสิกเรียนไหมเจตสิกเรียนกันหรือยังยังเหรอเรียนยังไงวะจิตปัญญาไม่รู้จักเจตสิกเจตสิกน่ะเป็นธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทําให้จิตเนี่ยมันวิจิตพิสดารมีจิตนานาชนิดขึ้นมาจิตนั้นโดยตัวมันเองมีสภาวะธรรมอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้ล้วน เป็นธรรมชาติรู้ล้วนๆแต่มันจะเป็นธรรมชาติรู้ในขณะนั้นจะเป็นธรรมชาติที่มีความสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ <c oughs> ความสุขความทุกข์หรือเป็นกุศลอกุศลแต่ละชนิดเนี่ยมันปูกเจตสิกเข้าไปประกอบจิตนี้คล้ายๆน้ําที่สะอาดน้ําใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะ <c oughs> แต่มันจะเป็นเป๊ปซี่โค้ร่าแฟนตาอะไรเนี่ยหรือจะเป็นน้ําหอมน้ําเหม็นน้าเน่าน้ําคลํามันอยู่ที่สิ่งซึ่งเจือปนเข้าไป สิ่งที่เจือปนเข้าไปในน้ําเจตสิกก็คือสิ่งที่เจือปนเข้ามาในจิตนั่นแหละดังนั้นโดยตัวของจิตเองนี่นะประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสเหมือนน้าที่สะอาดเหน้ําที่ใสน้ํานั้นจะหอมจะเหม็นจะสวยจะงามหรือจะน่าเกลียดก็อยู่ที่สิ่งที่ปรุงแต่งเข้ามาสิ่งที่เติมลงไปสิ่งที่เติมลงมาในจิตที่เรียกว่าเจตสิกประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ รู้สึกเฉยๆนะประกอบด้วยสัญญาความจำได้ความหมายรู้นะจำรูปเสียงกลิ load, ่นรสโพธิภพะธรรมารมณ์ได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ load, ่นรสโพธพะธรรมารมณ์ได้จำได้กับหมายรู้ก็ไม่เหมือนกันนะจำได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วจำได้ว่าในคนนี้ชื่อเอสมมติอย่างนี้หมายรู้นะเป็นการเอาข้อมูลเดิมมาเทียบกับสิ่งที่ไปรู้เห็นมาใหม่ๆสดๆร้อ น, อนๆที่ยังไม่เข้าใจมันนะเช่นเห็นหน้าคนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยนะ มันหมายรู้ลงไปรูปร่างอย่างนี้น่าจะคนนะคนที่แต่งตัวอย่างนี้น่าจะผู้ชายนะนี่หมายรู้ลงไปนะ <_ d ata> นอกจากเวทนาสัญญาคือความจําได้หมายรู้แล้วก็สังขารคือกุศลและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นหรือเจตสิกที่เป็นกลางๆลางบงเจตสิกบางอย่างเกิดร่วมทั้งกุศลเกิดร่วมทั้งจิตอกุศลนะเจตสิกบางอย่างเกิดกับจิตเฉพาะบางอย่างเจตสิกบางอย่างเกิดกับจิตทุกๆดวงนะ อย่างสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพราะงั้นจิตอกุศลก็มีสมาธิได้อย่างเราจะยิงใครให้ตายขาที่สักคนเนี่ยมันต้องมีสมาธิในการยิงไม่งั้นยิงไม่ได้นะเอาไหกลายเป็นเรียนอภิธรรมไปแล้วถามเรื่องในเอตับว่าไม่รู้เรื่องเจตสิกรืกลายเป็นสอนอภิธรรมไปแล้วไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้รู้ลงไปนะอะไรแปลกปลอมเข้ามา อะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตเหมือนกับจิตมันผ่องใสอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันผ่องใสอยู่นะพอมีความโกรธแทรกเข้ามานี่มีเจตสิกคือความโกรธแทรกเข้ามาเรารู้ทันว่ามีความโกรธพอเรารู้ทันว่ามีความโกรธในขณะที่รู้ทันว่ามีความโกรธนี่ยจิตขณะนั้นจะไม่มีความโกรธละความโกรธจะดับทันทีเพราะั้นถ้าพวกเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในจิตแล้วเรารู้อยู่นะแล้วความโกรธไม่หายเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้มีสติตัวจริงะ ขนานั้นไม่มีสติหรอกเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอเรารู้นะเราไปโกรธความโกรธเอ๊ะทาไมมันโกรธทําไมเรามันไม่ดีเราไปโกรธคนโน้นคนนี้ด้วยมันมีความโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเรียกว่าจิตไม่ได้มีสติจริงะแต่ถ้ามีสติจริงมันจะเห็นวิเศษลักษณะนะเห็นลักษณะเฉพาะเลยของความโกรธคือสภาวธรรมตัวหนึ่งที่เรียกว่าความโกรธมันจะผุดขึ้นมาเราเห็นมันนละ้วนะมันทํางานไม่ได้ เห็นแล้วมันพิการไปเลยมันจะแตกสลายตายไปทันทีที่เห็นเพราะฉนั้นเวลาที่เราดูจิตเนี่ยไม่มีอกุศลให้ละนะเวลาที่เราจเจริญสติอยู่ไม่มีอกุศลให้ละเพราะอากุศลไม่มีร่วมกับสติหรอกอกุศลจะเกิดตอนขาดสติเท่านั้นนี่พอเราหัดดูกายดูใจมากเข้ามากเข้านะเราก็จะเริ่มเห็นเนี่ยกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงจิตเกิดดับตลอดเวลา นะเดี๋ยวเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดดูออกไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเนี่ยจิตมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เกนะิดดับตลอดเวลาจิตมันดูให้เป็นทุกข์ยากนิดหนึง่งนะเพราะจิตเนี่ยพอดูลงไปแล้วมันว่างๆดูให้เป็นทุกข์ยากเราก็ไม่ต้องไปดูมันในแง่ของทุกข์นะดูยากที่สุดนะดูในแง่ของอนัตตาง่ายนะดูอนิจจังง่ายดูอนัตตาง่ายอนัตตาคือสังเกตไปเรื่อยจิตมันทํางานได้เอง มันโลบของมันเองมันโกรธของมันเองมันหลงของมันเองเราเป็นแค่คนดูนะห้ามอะไรมันไม่ได้สั่งมันบอกว่าอากุศลจะเกิดมันก็จะเกิดสั่งมันว่ากุศลที่เกิดแล้วจงอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เราบังคับมันไม่ได้งั้นดูจิตเนี่ยเราจะเห็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้ดูกายนะเราจะเห็นอนัตตาที่ในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวในคําว่าอนัตตามันก็กว้างกวางนะมีหลายแง่หลายมุม นี้พอเราดูกายดูจิตมากเข้ามากเข้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราเห็นไตรลักษ์บ่อยๆขึ้นเห็นทีเดียวไม่พอต้องเห็นเนืองเนืองต้องเห็นเนืองเนืองตามรู้กายเนืองเนืองตามรู้เวทนาเนืองเนืองตามรู้จิตเนืองเนืองตามรู้ธรรมเนืองเนืองธรรมคืออะไรธรรมคือรูปธรรมและนามธรรมครอบงําทั้งกายเวทนาทั้งจิตเพะฉะนั้นชั่มนี้ชํานาญขึ้นมาก็จะเข้าไปสู่ธรรมานุปัสนาได้พอเราเห็นเนืองเนืองไปมันจะเริ่มเห็นความจริงเลย ในความโกรธไม่มีตัวเราในความโลภไม่มีตัวเราในความหลงไม่มีตัวเราในความฟุ้งซ่านในความหดหู่ไม่มีตัวเราในความสุขในความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตัวเราความสุขก็เป็นความสุขเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่มีตัวเราในความสุขนั้นความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวเรา ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะาะไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเห็นไหมพอเรามีสตินะรู้สภาวะรู้รูปรู้นามมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาส ม, มาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะแต่เห็นทีแรกเนี่ยจิตใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ตัวเราหายไปตัวเราหายไปแล้วทํำยังไง หลายคนรู้สึกกลัวนะเพราะงั้นภาวนาพอเรารู้กายรู้ใจไปถึงช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกกลัวสำหรับบางคนนะบางคนจะรู้สึกหวงหงงรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยทำไมกลัวทำไมรู้สึกหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ทำไมเบื่อเพราะว่าตัวเราหายไปสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดก็คือตัวเราบัดนี้เราได้เห็นความจริงในเบื้องต้นแล้วว่าตัวเราหายไป เห็นแล้วแต่ใจยังยอมรับความจริงไม่ได้นะก็เกิดอาการพิกลพิการขึ้นมานะเรียกสะเพาะๆเลยนะเรียกว่าอาท์ีนวายานพยาตูปัฏ ฐ, ฐานญ า, านนิพพิทายานนะความจริงก็คืออาการที่จิตยังพิกลพิการอยู่นั่นแหละนะยังยอมรับความจริงไม่ได้เห็นความจริงนละ้ว่าตัวเราไม่มีแต่ยังยอมรับไม่ได้นะนี่ถ้ารู้ทันนะถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้คนที่เรียนจากหลวงพ่อแล้วมาถึงตรงนี้นั้นเยอะแยะนับไม่ถูกแล้วนะ ถ้ามาถึงตรงนี้นะจิตมีความเบื่อขึ้นมาให้รู้ทันว่าเบื่อเบื่อก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงที่เคยรู้จักมาแล้วเกิดรู้สึกวงงโงก็รู้สึกไปรู้ว่านี่ก็สภาวะอย่างหนึ่งเกิดกลัวขึ้นมากลัวจับจิตจับใจว่าตัวเราหายไปก็รู้ว่ากลัวลงไปรู้ลงไปเช่นเดียวกับรู้ความรู้สึกอื่นๆซึ่งเคยรู้มาแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วพอรู้ทันนะสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้มันจะหายไปแจมจะตั้งมั่นขึ้นมา มันจะดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ด้วยใจที่ตั้งมั่นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญาที่สูงที่สุดในฝ่ายโลกิยาปัญญานะเรียกว่าสังขารู้เบกขายานสังขารู้เบกขายานเนี่ยแยกตามศับเลยนะยานแปลว่าปัญญาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นกลางเป็นกลางต่ออะไรต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งป่วงความปรุงแต่งเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยจิตจะเป็นกลางต่อมัน จิตจะเป็นกลางต่อสิ่งซึ่งเป็นคู่คู่ทั้งหมดนะเราเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นคู่นะเราเรารักสุขเราเกลียดทุกขนะ์เนี่ยเรารักดีเราเกลียดชั่วแต่คนชั่วมันก็รักชั่วเกลียดดีใชแล้วแต่นะไม่เหมือนกันมันจะมีสิ่งซึ่งเป็นคู่คูมีความกโกรธแล้วก็มีความไม่โกรธมีความโลภแล้วมีความไม่โลภมีความหลงแล้วมีความไม่หลงมีความฟุ้งซ่านแล้วก็มีความหดหู่เนี่ยจะมีเป็นคู่คู่คู่ จิตนั่นจะวนเวียนอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่ตลอดเวลาให้เรารูา้สภาวะลงไปเรื่อยนะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นคู่คู่เช่นเห็นโกรธแล้วมันก็ไม่โกรธเห็นโลภแล้วมันก็ไม่โลภเห็นสุขแล้วมันก็ไม่สุขเห็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ทุกข์นี่มันเกิดดับไปเรื่อยๆหมุนหมุนอยู่อย่างนี้ในที่สุดจิตมันเกิดปัญญารวบยอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความหดหู่ความฟุ้งซ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดพอทุกจิตมันเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวนะจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยตัวของมันเองความเป็นกลางทําให้เกิดขึ้นก็ได้นะบังคับให้เป็นกลางด้วยสมถะก็ได้แต่กลางทื่อๆกลางซื่อบื้อส่วนกลางด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นของบังคับไม่ได้นะ จิตจะเกิดเป็นกลางอย่างแท้จริงขึ้นมาด้วยปัญญากลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยอย่างความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงจิตก็รู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่แสบสายทุรนทุรายเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยที่เราชอบพูดกันเพ้อเเจ้อเนะเรียกว่าเพ้อเจ้อไม่มีจริงหรอก สักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนะั่นจะไปเกิดที่สังขารู้เบิกขายานนั่นนะกำลังจะข้ามความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะละนะนะงั้นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นหมายถึงความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ศลทั้งหลายเกิดขึ้นนะจิตมันฉลาดรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่ได้หลงยินดีไม่ได้หลงยินร้ายเมื่อจิตปราศจากความยินดียินร้ายในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาจิตจะหมดความดิ้นรนจิตจะหมดแส่สาย ของเรารู้สึกไหมจิตจะถูกอารมณ์ผลักดันให้แสบสายทั้งวันเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากรู้เรื่องก็ไปคิดเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้นะจิตแสบสายเดี๋ยวก็ชอบอโน้นเดี๋ยวก็ไม่ชอบอ น, นี้จิตก็แสบสายเพราะจิตมันพ้นออกมาแล้วมันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมดความแสบสายจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งถ้ถึงจุดนี้เนี่ยจะมีทางแยกสองสายสายที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินะจิตจะไม่เดินเข้ามรรคผลต่อไป จิตจะไปทรงอยู่ตรงนี้นะชกครั้งชกคราวนะเสื่อมได้อีกลงนรกได้อีกนะถ้าหากปรารถนาพุทธภูมิและบรารมีแก่รอบแนละเจริญสติจเจริญปัญญามาแก่รอบจนถึงวันนั้นอนะ่ะพร้อมจะเป็นพ ร, าาระอรหันตะ์แลแต่ว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้รับขยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคนนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ชนิดที่ไม่แปลผันกลับมาเป็น คนธรรมดากลับมาสู่สาวกพภูมิอีกลนะจะเที่ยงต่อการเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ชนิดนี้มีน้อยมากเลยพระโพธิสัตว์ที่พวกเราอ้างอ้างนะโพธิสัตว์ปลอมนะเช่นภาวนาไม่เป็นก็บอกว่าฉันเป็นพระโพธิสัตว์เลยยังไม่บรรลุมากผลนะอย่างนี้เจอบ่อยนะ <c oughs> อีกพวกหนึ่งนะไม่ได้หวังความเปพุทธภูมิหรือปัิเจ้าพุทธภูมนะิหวังเอาความพ้นทุกข์เป็นหลักนะ จิตที่หมดความปรุงแต่งนะมันจะหมดการดิ้นรนหมดการสแสวงหาหมดการทํางานลงไปจิตมันจะรวมลงไปอัตโนมัตินะมีกระบวนการที่เกิดอริยมรคนะงั้นไม่ใช่เรียนเรียนไปแล้วบอกว่าเกิดปัญญาเกิดมากเกิดผลนั้นพูดเราเองทั้งสิ้นเลยกระบวนการของจิตที่จะเกิดอริยมรกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด7ขณะด้วยกันนะอันแรกสุดเลยนะจิตจะรวมเข้าอับปนญาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะจนถึงฌานที่ส หรืถ้าพูดให้ละเอียดนะแบบอภิธรรมก็เป็นฌานที่5ถ้าพูดในตามความเป็นจริงนะถึงฌานที่8ปดเลยถึงอรูปฌานด้วยเพราะอารูปฌานก็เป็นฌานที่5นะ้าหรือเป็นฌานที่4นีะ่ฟังแล้วยุ่งไปนิดหนึ่งนะลืมๆเหมือนซักก็ได้ตรงนีนะ้เพราะวันนี้มีพวกเรียนอภิธรรมมาหลายคนก็เลยพูดเยอะหน่อยนะจิตมันจะรวมลงไปปั๊บโดยที่ไม่ได้เจตนาเข้าฌานะตรงที่เราได้ยินมาเรื่อยๆใช่ไหมว่าอาริยมรรคมีองค์8นะ พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิด้วยองค์ฌานอริยมรคนั้นไม่ใช่แปลว่าเวลาที่เราปฏิบัตินี่ต้องเข้าฌานนะแต่อริยมรจะเกิดขึ้นเองเมื่ออินทรีย์ของเราแก่รอบเต็มที่แล้วจิตรวมเข้าไปแล้วจะเกิดฌานขึ้นเองนะนั้นในขณะที่เกิดอริยมรจริงๆนี้ช่วขณะจิตเดียวในช่วงขณะจิตนั้นนะองค์มรทั้งแปดมีอยู่ครบเลย โนะพธิปักขียธรรม37ประการประชุมกันอยู่ตรงนั้นเลยนะโพชชงเจ็ก็อยู่ตรงนั้นเลยนะไม่ใช่วันนี้โพธชงตัวที่หนึ่งวันนี้โพชชงตัวที่สองอันนั้นไม่ใช่โพธชงหรอกอันนั้นคงชงอย่างอื่นละนะหรือมาร์กก็เหมือนกันนะวันนี้จะอ่านหนังสือให้มาร์กทาสัมมาทิฏฐนะิวันนี้จะทําสัมมาสังกัปปะอันะอนั้นไม่ใช่มาร์กหรอกอย่างนั้นเรียกว่ามาร์กมากนะมาร์ก ม, นะ ม, มีหนึ่งเท่านั้นนะเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละนะงั้นที่ว่ามี สัมมาสมาธิเป็นองค์ฌานขึ้นมานะเป็นจริงๆแต่ว่าเป็นในช่วงขณะนั้นนะนิพอจิตรวมเข้าอาัพนาสมาธิแล้วเนี่ยนะมันจะมีสภาวะธรรมแสดงตัวขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันพวกที่ปัญญาแก่กล้ามากนะเห็นสองขณะพวกที่ปัญญายัางไม่กล้านะอินทรีย์ไม่แก่กล้ามากนักเนี่ยเห็นแค่สขณนะเห็นสาม จะเห็นยังไงเห็นสภาวะธรรมบางอย่างซึ่งไม่รู้อะไรเพราะไม่มีความคิดเจือปนอยู่อีกต่อไแล้วปราศจากความคิดอย่างเด็ดขาดเลยนะเห็นสภาวะผุดขึ้นมาดับลงไปผุดขึ้นมาดับลงไปจิตในขณะนั้นมีอุเบกขามีขันติอย่างแก่กล้าเลยหมายถึงว่ามันพนต่อความยั่วยุของอารมณ์ที่ผุดขึ้นมามันไม่ยุ่งด้วยเลยนะมันมีขันติจริงๆเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสภาวะตัวนี้ที่โดดเด่นมากนะัคือขันติ สภาวะที่จิตผุดขึ้นมาสองขณะสขณะนนะีมีปัญญารู้ทุกอย่างรู้แล้วคล้อยตามรู้แล้วคล้อยตามรู้แล้วไม่ยุ่งไม่ต่อต้านไม่ไปวุ่นวายไม่ไปแทรกแซงนะตรงนี้เรียกว่าจิตมันมีอนุโลม่างมีสองขณะบ้างสาขณะบ้างนะมันอนุโลมตามอะไรตามสัจจะตามความจริงเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีตัวตนไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาในขณะนั้นนะ ถัดจากนั้นนะจิตจะทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้มันจะวางสิ่งซึ่งถูกรู้ทวนกระแสคืนเข้ามาห า, าธาตุรู้นะเมื <het> ่อมันถึงาธาตุรู้แล้วนี่อริยมรรคจะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งซึ่งห่อหุ้มจิตอยู่จิตของเราคล้ายๆมีแคปซูลอาศัยอยู่นะมีอาสวะกิเลธห่อหุ้มอยู่นะพะออริยมรรคมีกําลังแก่กล้าแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นนะมันจะแหวกแคปซูลนี่ออกแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มห อ, อกจิตก็จะเข้าถึงธรรมที่แท้ธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งแท้นะ ทำมันนั้นว่างเปล่านะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะแต่ไม่ใช่ว่างแบบแห้งแลง้งนะว่างอย่างมีบลำมสุขอยู่ในนั้นอาัศาจรรย์ที่สุดนะแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นในจิตนะในธรรมจักจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เรานะคือคำว่า logo, อาโลโกุตปาชิแสงสว่างเกิดขึ้นนะแสงสว่างเกิดขึ้นนะจากความไม่มีอะไรเลยนั่นะนะ ตรงนี้บรรยายเยอะไปเดี๋ยวก็จะฟุ้งซ่านนะรวมความแล้วก็คือทั้งหมดนี้แหละรวมแล้วแค่7ขณะเท่านั้นแหละใช้เวลาแวบเดียวเหมือนตกต้นไม้นะตุบลงมาถึงพื้นแล้วแต่ไม่ใช่วูบแล้วลงถึงพื้นนะไม่มีคาว่าวูบเลยมีสติตลอดสายของการปฏิบัติเลยตรงที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิด1ขณะตรงที่อริยผลเกิดเนียเกิด2ขณะบ้างสาขณะบ้าง พวกที่อินทรีย์กล้ามากๆก็เกิดสพวกที่อินทรีย์ไม่กล้าก็เห็นนิพพานตรงนี้สองขณนะยังไม่ชำนิชำนาญในนิพพานนะเสร็จแล้วจิตจะถอยออกจากอัปปนาสมาธิพอถอยออกมาปุ๊บมันจะทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตัวตนไม่มีนะเมื่อกี้เห็นนิพพานเห็นสภาวะซึ่งพ้นความปรุงแต่งไปแล้วนะ น่าจะทวนกระแสเข้าไปแล้วมันรู้เลยนะกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ละนะถ้าเป็นพระาอารหันต์จะไม่ทวนอย่างนี้นะพระอรหันต์จะทวนเข้าไปพิจารณา น, นิพพานเลยนะเพราะไม่มีกิเลสจะเหลือให้ละละนะนี่พวกเราต้องฝึกอย่างนี้นะพอผ่านกระบวนการครั้งที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันหลายคนมักง่ายนะนั่งภาวนาแล้วก็ได้โสดาแล้วสกิทาขาแล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่นะ เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาอ้ามดเวลาจะ ใ, ให้ต่อหรือเปล่าอ้าวต่อไปทานข้าวนะนิมนต์ครับนิมนต์